อุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพในบทว่าอุปาทานปัจจญาพาโวพึงทราบวินิจฉัยโดยอัฏฐะคือความแห่งคําหนึง่งโดยธรรมะคือความหมายของธรรมะหนึง่งโดยศาสฐะคือข้อที่ยังมีประโยชน์ที่จะกล่าวซ้ําหนึง่งโดยเพทะคือแบ่งออกและโดยสังหะคือรวมเข้าหนึง่ง โดยสิ่งไรเป็นปัจจัยแก่สิ่งไรหนึ่งวินิจฉัยโดยอัฏฐาวินิจฉัยโดยอัฏฐะในบทนั้นว่าธรรมะใดย่อมเป็นเหตุนั้นธรรมะนั้นจึงชื่อว่าภพแปล ว, ว่าธรรมะที่เป็นขึ้นภพนั้นมีสองประเภทคือกรรมภพหนึ่ง อุปติภพหนึ่งดังพระบาลีว่าภพมีโดยส่วนสองคือกรรมภพหนึ่งอุปติภพหนึ่งดังนี้ในภพสองนั้นภพคือกรรมชื่อว่ากรรมภพในยะเดียวกันภพคือความเข้าถึงชื่อว่าอุปติภพก็แลในกรรมและอุปตินี้ อุปัติจัดเป็นภพเพราะเป็นขึ้นคือเกิดขึ้นส่วนกรรมพึงทราบว่าจัดเป็นภพโดยผลโวหารคือกล่าวเลงถึงผลเพราะกรรมนั้นเป็นเหตุแห่งภพดังความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าเป็นสุขเพราะเป็นเหตุแห่งความสุขฉะนั้น วินิจัยโดยอัฏฐะในบทนี้พึงทราบโดยประการที่กล่าวมาชนี้เป็นอันดับแรกวินิจัยโดยธรรมะกรรมภพส่วนวินิจัยโดยธรรมะพึงทราบว่าอันดับแรกกรรมภพโดยสังเขกก็ได้แก่ เจตนาและธรรมะทั้งหลายที่นับเป็นกรรมมีอภิชาเป็นต้นอันสัมปยุตกับเจตนานั่นเองดังพระบาลีว่าในภพสองนั้นกรรมภพเป็นชนะปุญญาพิสังขารอปัญญาภิสังขารอนเนรชาพิสังขารเป็นปริตภูมิคือภูมิกามก็ดี เป็นมหาภูมิคือภูมิมหัคตะก็ดีนี้เรียกว่ากรรมมพบอันหนึ่งกรรมที่เป็นภาะวะคามียังสัตว์ให้ไปสู่ภพทั้งปวงก็เรียกกรรมมพบก็แลในกรรมมพบนี้เจตนาสิบสามดวงชื่อว่าปุญญาพิสังขารเจตนาสิบสองดวง ชื่อว่าอปุญญาพิสังขารเจตนาสีดวงชื่อว่าอาเนชาพิสังขารโดยประการดังนี้ความที่เจตนาเหล่านั้นแหละมีวิบากน้อยและมากเป็นอันกล่าวด้วยคำว่าเป็นปริตภูมิก็ดีเป็นมหาภูมิก็ดีนั่นส่วนธรรมะทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นที่สัมปยุตกับเจตนา เป็นอันกล่าวด้วยคำว่าอันหนึ่งกรรมที่เป็นภวะคามีทั้งปวงนี้อุปติภพส่วนอุปติภพโดยสังเขปก็ได้แก่ขันทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมโดยเฉพาะว่าโดยประเภทมีก้าอย่างดังพระบาลีว่าในภพสองนั้น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 ในวงเล็บความหมายในรูปประพบและอารูปประพบก็ในยะนี้คือว่ารูปประพบก็แปลว่าพบที่นับว่ารูปอารูปภพบแปลว่าพบที่นับว่าอารูปพบของสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัญญาชื่อว่าสัญญาพบในยะหนึ่ง สัญญามีอยู่ในภบนั้นเหตุนั้นภบนั้นจึงชื่อว่าสัญญาภพแปลว่าภพที่มีสัญญาอาสัญญาภพพึงทราบโดยในยะตรงกันข้ามธรรมชาติที่เป็นเนวสัญญานาสัญญาคือมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เพราะไม่มีสัญญาหยาบและเพราะมีแต่สัญญาละเอียด มีอยู่ในภพนั้นเหตุนั้นภพนั้นจึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญาภพภพที่เต็มไปด้วยรูปขันธ์อย่างเดียวชื่อว่าเอกโว ก, โวการะภพในย่าหนึ่งโวการะคือขันธ์ของภพนั้นมีอย่างเดียวเหตุนั้นภพนั้น จึงชื่อว่าเอกะโวการพบแปลว่าพบมีขันเดียวความหมายในจตุโวการพบและปัญจโวการพบก็ในยะนี้คือจตุโวการพบก็แปลว่าพบมีขันสี่ปัญจโวการพบแปลว่าพบมีขันห้าในพบเหล่านั้นกามาพ ได้แก่อุปาทินนัขันห้าคือขันมีใจครองรูปภพก็อย่างนั้นอรูปภพได้แก่อุปาทินนขันสี่สัญญาภพได้แก่อุปาทินนัขันห้าอสัญญาภพได้แก่อุปาทินนัขันหนึ่งเนว่าสัญญานาสัญญาภพ ได้แก่อุปาทินนขันสี่พบสามมีเอกะวการพบเป็นต้นก็ได้แก่ขันหนึ่งขันสี่และขันห้าโดยเป็นอุปาทินนขันวินิจฉัยโดยธรรมะในบทนี้พึงทราบโดยนัยะดังกล่าวมาชนีประการหนึ่ง วินิจฉัยโดยศาส t ข้อว่าโดยศาถ t มีวินิจฉัยว่าก็แหละอภิสังขารทั้งหลายมีปุญญาภิสังขารเป็นต้นนั่นแหละแม้กล่าวมาแล้วในตอนแก้สังขารดังที่กล่าวในตอนแก้พบนี้เหมือนกันก็จริงแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นอภิสังขารตอนก่อน ท่านกล่าวโดยเป็นอดีตกรรมเพราะเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในภพนี้แต่อภิสังขารตอนนี้กล่าวโดยเป็นปัจจุบั น, นกรรมเพราะเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในการต่อไปเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงอภิสังขารซ้ำจึงยังมีประโยชน์แท้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งในตอนก่อน เจตนาเท่านั้นท่านกล่าวว่าเป็นสังขารโดยในยะว่าในอภิสังขารสามนั้นปุญญาพิสังขารเป็นชนเจตนาเป็นกุศลกามาวจรนี้เรียกว่าปุญญาพิสังขารดังนี้เป็นต้นแต่ในตอนนี้แม้ธะทั้งหลายที่สัมปยุตกับเจตนาท่านก็กล่าวด้วยคาว่า แม้กรรมที่เป็นเพราะวะคามีทั้งปวงก็ชื่อว่ากรรมมพบดังนี้อันหนึ่งที่ก่อนกรรมที่เป็นปัจจัยแก่วิญญาณเท่านั้นท่านกล่าวว่าเป็นสังขารมาที่นี้แม้กรรมที่ยังสัตให้เกิดในอาศัญญาพบท่านก็กล่าวด้วยจะกล่าวมากไปทาไมมีในบทว่า วิชาปัจจญาพโวนี้ท่านกล่าวธรรมะทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลมีปุญญาภิสังขารเป็นต้นแต่ในตอนนี้ท่านกล่าวธรรมะทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นอัพยากตก็เพราะสงเคราะห์เอาอุปติภพเข้าด้วยเพราะฉะนั้นการกล่าวซ้ำนี้จึงยังมีประโยชน์แท้ วินิจฉัยโดยศาสตะในบทนี้พึงทราบโดยนัยยะดังกล่าวมาชนี้วินิจฉัยโดยแบ่งออกและรวมเข้าข้อว่าโดยเพทะและสังคหะคือโดยแบ่งออกและโดยย่ อ, อเข้าซึ่งพบอันมีเพราะปัจจัยคืออุ ป, ปาทาน โดยเพทะคือโดยแบ่งออกความว่ากรรมที่ยังสัตให้เกิดในกรรมมภพซึ่งมีเพราะปัจจัยคือกามุปาทานใดอันสัตทาเข้าธรรมะคือกรรมนั้นชื่อว่ากรรมมภพขันท์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะกรรมนั้นโดยเฉพาะชื่อว่าอุปาติภพ ในรูปประพบและอารูปประพบก็ในยะนี้โดยในยะนี้กามาพทั้งสัญญาพบและปัญจโวการพที่อยู่ภายในคือรวมอยู่ในกามาพเป็นสองรูปประพบทั้งสัญญาพบอสัญญาพบเอกโวการพและปัญจโวการพที่อยู่ภายในเป็นสอง รูปภพทั้งสัญญาภพในว่าสัญญาณสัญญาภพและจะตุวการภพที่อยู่ภายในเป็นสองดังนี้ภพจึงเป็นหกพร้อมทั้งภพที่อยู่ภายในอันมีเพราะปัจจัยคือกามุปาทานก็แลภพที่มีเพราะปัจจัยคือกามุปาทานเป็นหกพร้อมทั้งภพที่อยู่ภายในฉันใด แม้พบที่มีเพราะปัจจัยคืออุปาทานที่เหลือก็เป็นอย่างละหกฉันนั้นแหละด้วยประการดังนี้โดยแบ่งออกพบที่มีเพราะปัจจัยคืออุปาทานจึงเป็นยี่สิบสี่พร้อมทั้งพบที่อยู่ภายในโดยสังหะคือโดยรวมเข้า ส่วนว่าโดยรวมเข้ามีวินิจฉัยว่ารวมกามาพบและอุปาติพบเข้าด้วยกันเสียกามาพบก็เป็นหนึ่งกับทั้งพบที่อยู่ภายในรูปปพบและอารูปปพบก็รวมเข้าอย่างนั้นดังนี้จึงเป็นพบสามอันมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานแม้พบอันมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานที่เหลือ ก็เป็นอย่างสามฉันนั้นแหละด้วยประการดังนี้โดยรวมเข้าพบที่มีเพราะปัจจัยคืออุปาทานจึงเป็นสิบสองพร้อมทั้งพบที่อยู่ภายในอีกนัยยะหนึ่งกรรมที่มีผลเป็นกรรมภพจัดเป็นกรรมมาพอันมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานโดยไม่แปลกกัน คือไม่แยกประเภทอุปาทานขันทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นโดยเฉพาะจัดเป็นอุปติภพในรูปภพและอรูปภพก็ในยะนี้ด้วยประการนี้โดยรวมเข้าอีกปริยายหนึ่งพบอันมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานจึงเป็นหกคือกามพบสองรูปภพสอง รูปภพสองพร้อมทั้งภพที่อยู่ภายในหรือว่าไม่แตะต้องการแยกเป็นกรรมมาภพและอุปภพเสียภพก็คงเป็นสามโดยการมมาภพเป็นต้นพร้อมทั้งภพที่อยู่ภายในอันหนึ่งเล่าไม่แตะต้องการแยกเป็นภพสามมีกรรมมาภพเป็นต้นเสียภพก็เป็นสอง โดยเป็นกรรมมภพและอุปาติภพไม่แต่ต้องการแยกเป็นกรรมมภพและอุปาติภพเสียอีกเล่าภพก็คงเป็นหนึ่งเท่านั้นโดยเป็นภพในวงเล็บเอกพภ์ตามบทว่าอุปาทานปัจยาภาวแลววินิจฉัยโดยแยกออกแล้วรวมเข้าซึ่งภพ อันมีอุปาทานเป็นปัจจัยในบทนี้พึงทราบดังกล่าวมาชนี้ประการหนึ่งวินิจฉัยโดยสิ่งไรเป็นของสิ่งไรข้อว่ายัางยัสสะปั จ, จโยเจวะความว่าอันหนึ่งในบทว่า ปูปาธานปัจจญาพโวนี้อุปาธานไรเป็นปัจจัยแก่ภพไรบัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดยประการที่สิ่งไรเป็นปัจจัยแก่สิ่งไรนั้นด้วยถามว่าก็ในบทนี้สิ่งไรเป็นปัจจัยแก่สิ่งไรเล่าตอบว่าทุกสิ่งเป็นปัจจัยแก่ทุกสิ่งละจริงอยู่ ปุถุชนเปรียบเหมือนคนบ้าเขาหาวิจาร์ว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนั้นไม่ควรไม่ปรารถนาพบทุกพบด้วยอำนาจอุปาทานทุกข้อแล้วก็ทำกรรมทุกอย่างทีเดียวเพราะฉะนั้นอาจารย์บางเหล่ากล่าวคาใดว่ารูปประพบอรูปประพบย่อมไม่มีเพราะสีลพัตุ ป, ปาทานดังนี้คำนั้นจึงไม่ควรถือเอา แต่ควรถือว่าพบทั้งปวงย่อมมีได้เพราะอุปาทานทั้งปวงข้อนี้มีอย่างไรอุปาทานเป็นปัจจัยแก่การมาพบบุคคลบางคนในโลกนี้คิดไปด้วยอำนาจการได้ยินสืบกันมาบ้างตามแบบอย่างที่ได้เห็นบ้างว่าอันกรมทั้งหลายนั้นก็สมบูรณ์แต่ในตระกูลมหาศาล มีตระกูลคัตติยมหาศาลเป็นต้นในมนุษย์โลกและในกามาวจาระเทวโลกหกชั้นเท่านั้นดังนี้แล้วถูกอาสาปูริสธรรมมีการฟังเรื่องอาศรธรรมเป็นต้นกล่อมใจคือสงสัยเข้าสำคัญไปว่าการทั้งหลายจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำอย่างนี้คืออย่างที่ได้ยินเลยกระทำทุจริต มีกายทุจริตเป็นต้นไปตามอำนาจแห่งการมุปาทานเข้าก็ได้เพื่อให้ได้กามทั้งหลายนั้นเพราะทุจริตเต็มเข้าเขาก็ไปเกิดในอบายหรือมิฉะนั้นเมื่อปรารถนากามทั้งหลายที่ประสบเข้าหรือจะคุ้มครองกามทั้งหลายที่ได้มาก็ตามทำทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นเข้าด้วยอำนาจแห่งอุปาทานก็ได้ เพราะทุจริตเต็มเข้าเขาก็ไปเกิดในอบายกรรมที่เป็นเหตุแห่งความอุบัติในอบายนั้นเป็นกรรมมาพบขันทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นก็เป็นอุปติภพของบุคคลนั้นส่วนสัญญาภพและปัญจโวการภพก็รวมอยู่ในนั้นนั่นเอง ฝ่ายบุคคลอีกคนหนึ่งเป็นผู้มีความรู้เพิ่มขูนขึ้นด้วยสัพปริสธธรรมทั้งหลายมีการได้ฟังสัว์ธรรมเป็นต้นแล้วสำคัญว่ากรมทั้งหลายจะสำเร็จได้ด้วยการกระทาอย่างนี้ก็กระทาสุจริตมีกายยสุจริตเป็นต้นด้วยอำนาจกามุปาทานเราะสุจริตเปี่ยมเข้าเขาก็ไปเกิดในหมู่เทพบ้างในหมู่มนุษย์บ้าง กรรมอันเป็นเหตุแห่งความอุบัติในหมู่เทพและมนุษย์นั้นเป็นกรรมมภพขันท์ทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นเป็นอุปติภพของบุคคลนั้นส่วนสัญญาภพและปัญจโวการภพก็รวมอยู่ในนั้นเหมือนกันกามุปาทานเป็นปัจจัยแก่กรรมมภพอันมีแตกต่างกันหลายประเภทเช่นสุขติ ทุคติพร้อมทั้งพบที่อยู่ภายในดังนี้กามุปาทานเป็นปัจจัยแก่รูปประพบและอรูปประพบบุคคลอีกคนหนึ่งได้ฟังหรือคาดคะเนเอาก็ตามว่ากามทั้งหลายในรูปประพบและอรูปภระพบสมบูรณ์กว่ากามในกามภพบนั้น จึงทำรูปสมาบัตรและอรูปสมาบัตรให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจการมุปาทานนั่นเองแล้วก็ไปเกิดในโลกรูปพรหมและอรูปพรหมด้วยกำลังแห่งสมาบัตรกรรมอันเป็นเหตุแห่งความอุบัติในพรหมโลกนั้นเป็นกรรมมพขันทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นเป็นอุปติภพของบุคคลนั้น ส่วนสัญญาภพอสัญญาภพเนวะสัญญาณสัญญาภพเอกะวการภพจตุวการภพและปัญจะวการภพก็รวมอยู่ในนั้นแหละกามุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแก่รูปประภพและอรูปภพอันมีแตกต่างกันหลายประเภทพร้อมทั้งภพที่อยู่ภายในก็ได้ดังนี้ ที่ถูปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพทั้งสามบุคคลอีกผู้หนึ่งเห็นไปว่าอันอัตภาพนี้เมื่อพบแห่งกามาวัาจราสมบัติหรือรูปประพบอรูปประพบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามขาดแล้วก็เป็นอันขาดศูนย์ดังนี้แล้วยึดถืออุจเฉท ท, ทิฏฐิแล้วก็ทำกรรมที่ไปกันได้กับทิฏฐินั้น กรรมนั้นเป็นกรรมมาพขันทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นก็เป็นอุปติภพของบุคคลนั้นส่วนภพทั้งหลายมีสัญญาภพเป็นต้นก็รวมอยู่ในนั้นแหละที่ถูกป่าทานเป็นปัจจัยแก่ภพทั้งสามคือทั้งกรรมมาพรูปภพและอรูปภพอันมีแตกต่างกันหลายประเภทพร้อมทั้งภพที่อยู่ภายในก็ได้ดังนี้ ตตวาทุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพทั้งหลายบุคคลอีกผู้หนึ่งเห็นว่าอันอัตภาพนี้ย่อมจะมีความสุขปราศจากความเร่าร้อนอยู่ในภพแห่งการมาวัาจราสมบัติหรือในรูปประภพและอรูประภพแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ดังนี้แล้วก็ทำกรรมที่ไปกันได้กับความเห็นนั้น ด้วยอํานาจอัตวาทุปาทานกรรมนั้นเป็นกรรมมพบขันทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นก็เป็นอุปาติภพของบุคคลนั้นส่วนสัญญาภพเป็นต้นก็รวมอยู่ในนั้นแหละอัตวาทุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพทั้งสามอันมีแตกต่างกันหลายประเภทพร้อมทั้งที่อยู่ภายในดังนี้ ศีละพระตูปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพทั้งสามบุคคลผู้หนึ่งเห็นว่าอันความสุขย่อมถึงซึ่งความเต็มเปี่ยมแก่บุคคลผู้ทำศีลพรินี้ให้บริบูรณ์ในภพแห่งการมาวัจราสมบัติก็ตามในรูปประพบและอรูประพบแห่งใดแห่งหนึ่งก็ตามดังนี้แล้วก็ทำกรรมที่ไปกันได้กับความเห็นนั้น ด้วยอำนาจศิลปะตูปาทานกรรมนั้นเป็นกรรมมพบขันทั้งหลายที่เกิดพรอบกรรมนั้นก็เป็นอุปติภพของบุคคลนั้นส่วนสัญญาภพเป็นต้นก็รวมอยู่ในนั้นเหมือนกันแม้ศิลปะตูปาทานก็เป็นปัจจัยแก่ภพทั้งสามอันมีแตกต่างกันหลายประเภทพร้อมทั้งภพที่อยู่ภายในได้ดังนี้แหล วินิจฉัยด้วยประการที่สิ่งไรเป็นปัจจัยแก่สิ่งไรในบทนี้พึงทราบดังกล่าวมาชะนี้หากมีคำถามว่าก็ในบทนี้อุปาทานอะไรเป็นปัจจัยแก่พบอะไรอย่างไรดังนี้ไซคำแก้พึงมีว่าคาถาสังเขปปัจจะยไน บัณดิตพึงทราบเถิดว่าอุปาทานเป็นอุปนิสยปใจแก่รูปปพบและอรูปปะพบอันหนึ่งมันเป็นปัจใจแก่กามาพโดยปัจใจทั้งหลายมีสหาชาตะปัจใจเป็นอาทิขยายความว่าอุปาทานทั้งสี่อย่างนั้นเป็นปัจใจประเภทเดียวโดยเป็นอุปนิสยปใจเท่านั้นแก่รูปประพบ และอรูปภพคือแก่กรรมเฉพาะที่เป็นกุศลในกรรมมภพอันนับเนื่องในกรรมมภพและแก่อุปาติภ พ, พด้วยส่วนในกรรมมภพมันเป็นปัจจัยโดยเป็นสหาชาติปัจจัยเป็นต้นซึ่งแยกออกเป็นสหาชาตะอัญญมัญญานิสยะสัมปยุตตะอัตถิอวิคตะและเหตุปปัจจัย แกอกุศลกรรมภพอันสัมปยุตกับตนแต่เป็นปัจจัยโดยอุปาณิสยาปัจจัยอย่างเดียวแก่กรรมภพที่เป็นวิปยุตนี่เป็นกถาอย่างพิสดารในบทว่าอุปาทานปัจยาพะโวพบ เป็นปัจจัยแก่ชาติในบททั้งหลายมีบทว่าเพราะว่าปัจจยาชาติเป็นอาธิการวินิจฉัยคำมีคาว่าชาติเป็นต้นพึงทราบโดยนนยยะที่กล่าวแล้วในสัจจะนิเทศเถิดส่วนคำว่าพโวในบทนี้หมายเอากรรมาภพอย่างเดียวเพราะกรรมาภพนั้น เป็นปัจจัยแก่ชาติอุปาติภพหาเป็นปัจจัยไม่ก็แหละกรรมภพนั้นเป็นปัจจัยสองอย่างโดยเป็นกรร ม, มปัจจัยและเป็นอุปาณิสยาปัจจัยเท่านั้นแหลหากมีคําถามว่าก็ข้อที่ว่าภพเป็นปัจจัยแก่ชาตินั้นจะพึงทราบได้อย่างไรดังนี้ไซ คำตอบพึงมีว่าพึงทราบได้โดยที่แม้เมื่อปัจจัยภายนอกมีเสมอกันก็ปรากฏความแปลกกันมีความเป็นผู้สามและเป็นผู้ประณีตเป็นต้นได้จริงอยู่แม้ความเสมอกันแห่งปัจจัยภายนอกทั้งหลายมีสุกกโลหิตคือเลือดขาวของชนกชนนีและอาหารเป็นต้นมีอยู่ ความแปลกกันมีความเป็นผู้สามและเป็นผู้ปาณิชเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายแม้เป็นลูกแฝดก็เห็นได้อยู่อันความแปลกกันแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นมิใช่ไม่มีเหตุเพราะไม่มีไปทุกเมื่อและทุกคนมิใช่มีเหตุอื่นไปจากกรรมมพบเพราะไม่มีเหตุอย่างอื่นในสันดานเฉพาะตัวของสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาเพราะกรรมพบนั้น เหตุฉะนั้นมันจึงมีกรรมมพบเป็นเหตุแท้เพราะกรรมเป็นเหตุแห่งความแปลกกันมีความเป็นผู้สามและเป็นผู้ปราณิชเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายนี่คืออะไรคือย่อมจำแนกโดยความเป็นผู้สามและเป็นผู้ปราณีตดังนี้ เหตุนั้นข้อที่ว่าพบเป็นปัจจัยแก่ชาตินั่นจึงควรทราบได้โดยนัยยะดังกล่าวมาชนี้ชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะเป็นต้นก็แลเหตุใดเมื่อชาติคือการเกิดไม่มีอยู่ขึ้นชื่อว่าชราและมรณะ หรือธรรมะทั้งหลายมีโสกะเป็นต้นก็ยอมไม่มีแต่เมื่อชาติมีอยู่ชรามรณะและธรรมะทั้งหลายมีโสกะเป็นต้นที่เนื่องกับความแก่ความตายของตนก็ย่อมมีแก่คนเหล่านั้นผู้ถูกทุกขธรรมคือชรามรณะต้องเอาบ้างที่ไม่เนื่องกับความแก่ความตายของตนก็ย่อมมีแก่คนเหล่านั้น ผู้ถูกทุกขธรรมนั้นๆมีญาติตายเป็นต้นกระทบเอาบ้างเพราะเหตุนั้นแม้ชาตินี้ก็พึงทราบว่าเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะและแก่ธรรมะทั้งหลายมีโสกเป็นต้นด้วยอันชาตินั้นเป็นปัจจัยอย่างเดียวโดยเป็นปัจจัยยอดคืออุปนิสยปัจจัยเท่านั้นแหล นี่เป็นคาถาอย่างพิสดารในบททั้งหลายมีบทว่าภาะวะปัจจยาชาติเป็นต้น